มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหาปัญจมวักขีณาสวานังอภายนะปัญหาที่เจ็ดถามว่าพระขีณาศพไม่กลัวไม่สะดุ้งเหตุไรเมื่อพระเทวทัตปล่อยช้างจึงพากันหนีไปสิน้น สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีอุดมมากษัตริย์มีพระราชโองคงการตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าผู้ประกอบด้วยปรีชาญาณอันประเสริฐสมเด็จพระบรมโลกกาณาศาสดาจารย์เจ้ามีพระพุทธดีกาตรัสประธานธรรมเทศนาไว้ว่าพระอระหันต์ทั้งหลายจะได้สะดุ้งตัวกลัวภัยต่างๆหาไม่ได้ ตกว่าพระพุทธฎีกาตรัตชนี้ก็ครั้งเมื่อสมเด็จพระสีสันเพชรสด็จเข้าไปทางบินธบาีในกรุงราชครืมหานคร น, นั้นพระอรหันต์เจ้าตามสเสด็จพระพุทธดำเนินเข้าไปมิใช่น้อยประมาณถึงห้าร้อยกับพระอานนทเทระผู้เป็นพุทธอุปถาพระเทวทัตปล่อยช้างธนบานหวังจะให้แทงพระองค์สมเด็จพระสัพพันยูเจ้า